สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่21บข้อที่7ถึงข้อที่12สุภาษิตบทที่ยีข้อที่7ถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าความทารุณของคนชอบทำจะกวาดพวกเขาไปเพราะพวกเขาไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม ทางของคนบาปหนานั้นคดแต่ความประพฤติของคนบริสุทธินั้นเที่ยงตรงอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้ทะเลาะคนอธรรมย่อมปรารถนาความชั่วเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความเมตตาจากเขาเมื่อคนชอบย่อเย้ยถูกลงโทษคนรู้น้อยจึงมีปัญญา เมื่อคนมีปัญญาได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้ผู้ชอบธรรมทรงพิเคราะห์ดูบ้านของคนอธรรมพระองค์ทรงทำให้บรรดาคนอธรรมพิหนาทพี่น้องครับวันนี้เรามาเริ่มต้นในข้อที่7ข้อที่7บอกว่าความทารุณของคนอธรรมจะกวาดพวกเขาไปเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมทําสิ่งที่ยุติธรรม ใครที่ทำร้ายคนอื่นใครที่ให้ทุกข์แก่เขาทุกนั้นถึงตัวครับเพราะว่าความทารุณของเขาเองก็จะกวาดพวกเขาไปถามว่าทำไมคำตอบก็คือว่าเพราะว่าพวกเขารู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำครับอะไรถูกต้องก็ไม่ชอบทำแต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ยุติธรรมไม่ทำครับ สิ่งที่อยู่กันด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็ไม่ทำแต่เลือกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเอารัดเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคนชั่วจะต้องถูกลงโทษเพราะเนื่องจากเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ขัดขืนไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกครับพี่น้องครับการได้มาซึ่งเงินทองความร่ารวยจากข้อที่6กเมื่อวานนี้เราพบว่า ไม่สมควรอย่างยิ่งการรวยด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นพี่น้องครับเขาจะได้รับผลเช่นเดียวกันเป็นผลตอบแทนใครที่รวยเ พ, เพราะเหตุเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคดโกงทุกนั้นจะถึงตัวครับก็จะถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกันคนที่ใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดคนอื่นก็จะต้องพบกับความรุนแรงและพินาศไปในที่สุดครับ เรามาดูครับข้อที่8ข้อที่8นั้นก็พูดถึงเรื่องของทางของคนบาปหนานั้นมันไม่ตรงทางของคนบาปหนานั้นมันคดครับแต่ทางหรือความประพฤติของคนบริสุทธิ์นั้นเที่ยงตรงชัดเจนและดีความประพฤติของคนที่ทําความผิดมันออกมาเป็นความชั่วร้ายครับเป็นความชั่วร้ายนอกจากความชั่วร้ายก็ยังเป็นความช่อฉนคดโกง ตรงนี้ถูกนำเสนอให้ขัดแยง้งตรงกันข้ามกับความเที่ยงธรรมและความบริสุทธิ์พระกัมภีตอนนี้ได้เปรียบเทียบให้เห็นขาวกับดำดากับขาวถูกกับผิดผิดกับถูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ครับว่าในที่สุดแล้วทางของคนบาปนะคดไปเคี้ยวมาและนาไปสู่ความพินาศแต่ทางหรือความประพฤติของคนบริสุทธิ์นั้นเที่ยงตรงนาไปสู่สวรรค์ครับ นำไปสู่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่พูดความจริงทำในสิ่งที่ชอบทำถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวเขาดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงโปร่งใสครับไม่ต้องมามัวแต่ทำอะไรที่ปกปิดนะครับและเรารู้ว่าการทำความดีนั้นต้องได้รับสิ่งที่ดีกลับมาใครที่ทำความทุก เขาก็จะได้รับความทุกข์กลับมาในที่สุดก็เหมือนกับปลาที่ติดอวนติดแหครับเหมือนกับนกที่ติดกับดักของพรานในพรานจับนกครับต่อไปครับเราจะเข้ามาดูในข้อที่เก้าข้อที่9นั้นดูเหมือนว่าผู้หญิงหรือภรรยานั้นบางท่านบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะอะไรครับ พระกัมพีบอกว่าอยู่ในอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้เถลาะมุมบนหลังคานั้นมีความหมายว่าเป็นที่ที่ตากแดดตากฝนครับอยู่ไม่ค่อยสบายหรอกครับแม้ว่าจะอยู่ไม่ค่อยสบายแต่ถ้าอยู่อย่างสบายใจสบายตัวนะครับสบายใจอยู่ในที่ที่ไม่สบายกายก็ดีกว่า อยู่ในที่ที่อบอุ่นแต่ไม่อบอุ่นครับเพราะอะไรครับอยู่กับผู้หญิงที่จุกจิกจู้จี้ขี้บน่นและขี้ทะเลาะเบาะแวง่งก้าวร้าวพี่น้องครับภรรยาที่ขี้ทะเลาะคือผู้หญิงที่ชอบหาเรื่องหาเหตุขี้บน่นและก้าวร้าวทาให้บ้านเต็มไปด้วยการถกเถียงความขัดแยง้งน่าเบื่อไม่น่าอยู่ครับเพราะฉะนั้น การอยู่ที่มุมบนหลังคาซึ่งเป็นสถานที่ที่ภายนอกนั้นไม่มีความสุขสบายทนแดดทนฝนทนหนาวแต่ข้างในนะครับมีความสุขสบายอบอุ่นใครอยู่ในพื้นที่ยรืออยู่บนที่ที่อยู่ภายในอบอุ่นครับกับผู้หญิงที่จู้จี้ขี้บน่นไม่สะดวกสบายนะครับอยู่อย่างสะดวกสบายใจนะครับก็ดีกว่าดูมีความสะดกสบายทางร่างกายแต่มีความขัดแยง้ง พี่น้องครับถึงตรงนี้เราก็ต้องพูดด้วยความยุติธรรมว่าผู้หญิงที่อยู่กับสามีที่ขี้ทะเลาะขี้บน่นสามีที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทําให้ภรรยาไม่สบายใจก็ต้องพิจารณาตัวเองครับดังนั้นเองเราจะต้องให้ความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายตั้งแต่สามี ไปจนทั้งถึงภรรยาครับแล้มาดูต่อนะครับในข้อที่สิบคนชั่วร้ายสแสวงหาการกระทาชั่วเหมือนกับคนที่ติดยาต้องการเสพยาครับเหมือนต้องการยาเสพติดและคนพวกนี้มักจะดุร้ายดุร้ายแม้แต่คนที่อยู่ใกล้เขาแม้แต่เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านของเขา ีน่นครับพระกัมพีในข้อนี้ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าใครก็ตามถ้ามุ่งหาอะไรก็จะได้พบสิ่งนั้นหากคนชอบทำเขามุ่งหาแสวงหาความดีเขาก็จะพบแต่ความดีอยู่รอบตัวเขาในทานองกลับกันครับคนอธรรมถ้าเขาแสวงหาความชั่วก็มักจะพบกับความชั่วอยู่รอบตนเองเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะพบกับความดีและสันติสุขแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายคนที่คิดมุ่งร้ายคนที่คิดความชั่วร้ายก็จะพบกับความชั่วร้ายพบกับคนชั่วร้ายครับข้อ11ครับการลงโทษจะมาถึงคนชั่วร้ายการลงโทษจะมาถึงคนที่มักเยาะเย้ยหญิงยะโซโอหัง และการลงโทษนี้มีไว้เพื่อที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้ทางแห่งปัญญาครับการสั่งสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญของคนทุกเพศทุกวัยเพียงัแับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้ให้เราเห็นถึงคน3ประเภทครับคนประเภทแรกก็คือคนชั่วร้ายคนประเภทที่2ก็คือคนรู้น้อยคนประเภทที่3ก็คือคนที่มีปัญญา คนชอบยอะเยะ้ยคนรู้น้อยคนมีปัญญาคนทุกทุกประเภทครับต้องได้รับคำสอนเพระนครับเด็กเล็กๆได้รับคำสอนเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กโตหน่อยเขาก็จะมีคุณธรรมประจำใจเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่พลากจากทางนั้นครับเพราะฉะนั้นการสั่งสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญให้เขาเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ข้อสุดท้ายครับในวันนี้คำว่าผู้ชอบธรรมนั้นเล็งถึงพระเจ้าครับพระเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้ที่ชอบธรรมสูงที่สุดพระเจ้าทรงไว้ถึงความชอบธรรมพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาและพระองค์ทรงเห็นว่าใครเป็นคนชอบธรรมเหมือนพระองค์และใครเป็นคนอัดธรรมเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาพระองค์จะทรง ลงโทษคนอธรรมทําให้คนอธรรมไปถึงความหายเนะครับพระองค์จะทรงคว่ําและล้มล้างสิ่งที่มือของคนอธรรมทําไว้ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระคัมภีร์ยังบอกว่าไปถึงบ้านของเขาด้วยนะครับไปถึงบ้านของเขาด้วยผู้ชอบธรรมทรงพิเคราะห์ดูบ้านของคนอธรรมพระองค์ทรงทําให้บรรดาคนอธรรมพินาศ ข้อนี้น่ากลัวครับพี่น้องครับพระเจ้าจะล้มล้างลบสิ่งที่มือของคนธรรมทําไว้ตลอดจนถึงครอบครัวงเขาบ้านของเขาครับ <c oughs> ลูกหลานที่อยู่ในบ้านเรือนของเขาด้วยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายสาหรับคนที่ไม่ชอบธทำคนชั่วร้ายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ มุ่งมั่นรักษาบัญญัติของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระองค์คำสอนที่มาถึงเราในเช้าวันนี้อาเมน